ปีใหม่ก็มาละวนะปี25งพ้าห้าเอ็ดจะหมดแล้วไม่สามารถเอาคืนได้ปี 2,551 ห้ายเอ็ดยังจะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระศรีอาร <c oughs> ไม่ใช่สมัยนี้ละหมดแล้วหมดเลยนะต้องทบทวนดูว่าปีหนึ่งเราได้อะไรบ้างทางโลกเขาก็ทบทวนในทางจิตวิญญาณเราก็ต้องทบทวนเหมือนกัน <c oughs> เราได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปบ้างปีนี้ ปีนี้บางคนก็ได้ธรรมะไปแล้วพวกเราที่ยังไม่ได้ธรรมะก็มีพัฒนาการที่น่าชื่นใจไหมสำรวจตัวเองดูคนไม่เคยมีศีลรู้จักมีศีลไหมไม่เคยเสียสลารู้จักเสียสลาไหมจิตใจเคยหลงอยู่กับโลกเนะี่ยเคยตั้งหลักขึ้นมาได้บ้างไหมมีสติเกิดขึ้นบ่อยไหมรู้ทันกิเลสได้มากขึ้นไหมความทุกข์ลดลงไหม ต้องสำรวจตัวเองบ่อยๆนะนื่ถึงปีก็เป็นเวลาสํารวจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งสำรวจย่อยๆเนี่ยสํารวจรายไตรมาสอย่าสํารวจรายวันจะสับสนเพราะไม่ว่าฝีมือดีแค่ไหนนะการภาวนาเนี่ยเราจะพบว่าจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสริมอมฉะั้นถ้าเราดูรายวันนะเราจะงงวันนี้ดีพรุ่งนี้แย่วันนี้ดีพรุ่งนี้แย่อะไรเงี้ยสับสนหรือเช้าดีตอนสายแย่ค่าๆดีอะไรีดูแล้วงง เราวัดเป็นรายไตรมาสหลวงพ่อเมื่อก่อนวัดได้ถึงขนาดว่ากิเลสเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราวัดใจเราได้นะเรารู้เลยว่าเหลือสักเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่รวัดนะแต่อย่าวัดแบบไบแอชนะวัดแล้วโอ้ใกล้หมดล้นะ <c oughs> ดูอย่างซื่อตรงสังเกตตัวเองพลังของกิเลสเนะี่ยลดลงไหมมันวัดได้จริงๆถ้าหากมันก้าวหน้าขึ้นนะก็ ถือว่ามีผลงานปีหนึ่งไม่ได้เสียเปล่าถ้ามันไม่ก้าวหน้าเลยสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดศีลก็ดังพลอยทานก็ไม่มีมีแต่เห็นแก่ตัวอะไรๆก็ไม่มีสัก อ, อย่างที่เป็นอริยทรัพยนะ์ขาดทุนนะขดทุนได้ฟังธรรมะก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์เหมือนกันนะได้ฟังธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถึงยังปฏิบัติไม่ได้นะ แต่ว่ารู้หลักก็เป็นทรับอันหนึง่งเป็นอริยทรัพย์มีสุตตะได้ฟังง้นอย่างน้อยหลวงพ่อก็คาดหวังว่าพวกเราที่มาเรียนที่นี่นะอย่างน้อยก็มีอริยรัพย์ตัวหนึ่งแหละได้ฟังแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอนะต้องลงมือปฏิบัติด้วยการรู้สึกตัวขึ้นมารักษาศี่ห้าแล้วก็รู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆแล้วพอสิ้นปีทีหนึ่งหรือพอไตรามาสทีหน่งเราจะวัดได้เลยว่า เราพัฒนาขึ้นหรือเราแย่ลงถ้าพัฒนาขึ้นเราก็ต้องดูว่าพัฒนาขึ้นเพราะอะไรถ้ามันแย่หรือมันไม่ดีขึ้นก็ต้องสำรวจว่าเพราะอะไรเช่นเพราะประมาดนิ่งนอนใจมากไปไหมหรือบางคนภาวนาแล้วเหลือแต่ความสุขล้วนๆเลยมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหะใจโล่งว่างสว่างหนึ่งปีที่ผ่านมาเห็นแต่ความสุขถ้าเป็นนักประเมินตัวเองก็เพราะว่ามันผิดพลาดละ อะไรมันจะสุขขนาดนั้นโลกนี้มันมีแต่ทุกข์มันต้องแอ บ, บหนีโลกไปหนีโลกไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรไปปรุงความละเอียดความประณีตขึ้นมาแล้วก็ไปติดอยู่แล้วก็บอกว่าตลอดปีนะจิตเหมือนเดิมทุกวันเลยถ้าลงจิตเหมือนเดิมทุกวันก็แปลว่าจิตเที่ยงและจิตมีแต่ความสุขทุกวันจิตก็เป็นสุขใช่ไหมเป็นนิจจังเป็นสุขขังเรารู้สึกกูแก้งกูเก่งนะเป็นอัตตา แทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลายเป็นเห็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอย่างนั้นมันปล่อยวางโลกไม่ได้หรอกมันหลงโลกอยู่ให้เราสํารวจตัวเองนะว่าดีตลอดเวลาก็ผิดปกติเหมือนกันแต่ชั่วตลอดเวลาไม่ผิดปกตินะเพราะว่าใจของเราหลงโลกง่ายบางคนก็หลงไปนานหลายปีย้อนกลับมาหาหลวงพ่ออีกนะบอกว่าที่ผ่านมาประมาทไปหน่อยไม่ได้ปฏิบัติ บอกลืมตาดูคนรอบๆตัวสีเขาไปถึงไหนแลนะ้แค่เราหยุดอยู่กับที่นะเพื่อนๆ เ, เขาเดินไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็ว้าเหวนะไปกันหมดละเหลือเราอยู่คนเดียวมาเรียนที่วัดหลวงพ่อนะประมาทไม่ได้นะดูถูกกันไม่ได้เลยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคนไม่เอาไหนเลยนะเราเคยดูถูกเขาอยู่ว่าเขาภาวนาซู้เราไม่ได้เผลอแว บ, บเดียวมันล้าหน้าเราไปแล้ว งั้นเราไม่อยากตกรุ่นนะไม่อยากตกรถไฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีรถไฟนะมีไหมยังมีก็ยังมี <c oughs> นึกว่าเลิกไปแล้วเห็น <c oughs> มีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยดูทันสมัยเราอย่าไปตกรถไฟฟ้าก็แล้วกันตกรถไฟฟ้าเนี่ยตายแง่แงเลยะ <c oughs> ตกรถไฟยังพอรอดนะเหมือนวิ่งไม่เร็วระวังตามเพื่อนไม่ทันระวังตามครูบาอาจารย์ไม่ทันนะเพงั้นเราอย่าประมาทนะเราสํารวจตัวเองเรื่อยๆ แต่พอสำรวจแล้วว่ามันไม่ดีนั้นก็อย่าตกใจตั้งอกตั้งใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปอย่างสบายๆแล้วมันจะดีเองแต่ถ้าตกอกตกใจนะรีบรุกรีดรุกร่นนะยิ่งไปไม่รอดเลยคราวนี้ยิ่งแย่กว่าเก่าอีกสรุปแล้วก็วันปีใหม่นะวันปีเก่าปีใหม่นะเป็นวันของการประเมินตัวเองถ้าชาวโลกเขาก็เป็นวันเลี้ยงฉลองฉลองอะไรฉลองความหลงโลกนะของเรา ปฏิบัติธรรมเราเข้าใจโลกนะกินเลี้ยงกับเขาได้ไหมกินเลี้ยงได้เฮฮาได้ไ้ยเฮฮาได้นะเขาเรียกออกไปร้องเพลงได้ไหมร้องได้นะแต่รู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยนะมีสติหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่กับโลกเราก็ต้องไปกินเลี้ยงเหมือนกันนะตอนเด็กเด็กเป็นข้าราชการผู้น้อยนะไปนั่งโต๊ะนะมันมีแต่คนกินเหล้าเราไม่กินนะเรากินโซดา แล้วก็กินกับดูหุนลูกหลวงพ่อก็รู้นะกินกับเก่งกินเหล้าไม่เก่งอะ่ะไม่กินหรอกนะนี่เราประพฤติตัวของเราคงที่แรกๆเขาก็แซวนะไม่กินเหล้าก็แซวนะลูกผู้ชายต้องกินเหล้ามาถึงวันนี้เราหันไปมองลูกผู้ชายทั้งหลายมันอเนตอานาถอานาถาแต่ละคนมันไม่มีอะไรติดเนือ้อติดตัวเลยของเราไม่กินเหล้านะสมัยก่อนคนก็หัวเราะไม่ซูบุรีนะ ไม่ไปหลอกใครต่อใครอะไรเงี้ยก็ดูดประหลาดถ้าสังคมส่วนใหญ่มันหลงโลกกันแต่ว่าเราครองตัวของเราเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยพอนานนานไปเนี่ยใครมานั่งกับเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้าเก่งใจเราละเคยมีขี้เมาคนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อไปเรียนสถาบันจิตวิทยากว่ามั่นคงอายุน้อยเกือบที่สุดเลยมีอ่อนกว่าเราอีกคนเดียวนั่นก็เป็นเลขาของรถเมย ขอสอมอัครก่ อ, อของเราชั้นี่เศษเร็วเราไปเร็วอายุน้อยะมีคนหนึ่งมันขี้เมาขี้เมาพยายามจะมาเข็นเรากินเหล้านะเราต้องแกล้งมาสักวันหนึ่งน ะ, นะอาสาชงเหล้าให้เขานะอชงของเขาแลของเราใส่โซดาแล้วก็หยอดโคกนิดหน่อยสองสามหยดนั่เหมือนเปียบเลย <laughs> มามึงอยากชนแก้วกับเรามาเ <laughs> ป็นชนสักกลิ้งไปเลยนะโอ้ ตอนหลังเที่ยวไปคุยแล้คุณประโมนนี่คอแข็งจริงๆมันก็ต้องรักษาตัวรอดเหมือนกันนะไม่ใช่ซื้อบือไม่ใช่แข็งกระดกกระเดกบางทีก็กลมกลืนกับเขาแต่เราก็ต้องใช้สติปัญญารักษาศีลของเราให้ไดนะ้พอเวลาผ่านมานะแค่เรานึกถึงศีลที่เราเคยรักษาไว้เราก็ชุ่มชื่นใจแนละ้ อย่างน้อยในชีวิตนี้นะาทำอะไรดีๆไม่เป็นยังมีศีลให้ชื่นอกชื่นใจได้เวลาเราคิดถึงขึ้นมาจิตใจเราก็สงบสุขตั้งมั่นขึ้นมาภาวนาง่ายคนไม่มีศีลภาวนายากนะภาวนาไม่ขึ้นหรอกศีล ส, สำคัญมีศีลแล้วก็ต้องมีชีวิตที่เรียบง่ายหน่อยอย่าลงตเตลิดเปิดเปิงไปกับโลกมากนะอยู่กับโลกรู้ทันมันเล่นกับมันเล่นกับมันได้นะ ถ้าไม่เล่นกับมันเลยไปคนขวางโลกเป็นคนขวางโลกเหนื่อยนะถ้าเราตามโลกไปคล้อยตามมันไปนะเล่นกับมันไปเล่นอย่างฉลาดกับมันไม่หลงเพลินไปเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่ขวางโลกนะคนอื่นก็ไม่ค่อยมายุ่งกับเราเท่าไหร่กลมกลืนคนไม่ค่อยรู้นะว่าหลวงพ่อภาวนาใช่ัหมก่อนคนที่อยู่ไกลๆรู้คนในที่ทํางานแต่ละแห่งไม่รู้หรอก หลวงพ่ออยู่องค์การโทรศัพท์ตั้งหลายปีนะคนไม่รู้ว่าเราภาวนานะอยู่สภาความมั่นคงนานคนก็งั้นงั้นนะรู้สึกหรือตอนอยู่เมืองการนะคนเมืองการไม่รู้ว่าเราภาวนาที่เรากลมกลืนนะอย่างชาวบ้านมาคุยเล่นเราก็คุยด้วยะคุยด้วยแต่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะแนะนําเข้าไปค่อยๆจูงเข้าไปจูงไม่ได้ก็ปล่อยก็กลมกลืนอยู่กับเขานะเราไม่รู้สึกต่อต้าน ยังมีชาวบ้านคนหนึ่งนะเขามาใส่บาตรเสร็จแล้วยิ้วปิ่นโตมานะจะเอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงยิ้วปิ่นโตมาที่วัดพอเราฉันเรียบร้อยแล้วนะ่าจะรู้โมทนาสันหน่อยว่าแม้ใจบุญจังเลยขอหวย <c oughs> ลงทุนแล้วต้องเอาทุนคืนแล้วนะเอาหวยบอกโอ้ยไม่มีหรอกถ้าเรารู้นะเราคงไปซื้อเองรวยไปแล้วละนะนี่เรายังต้องบินทบาตกิจเลยไม่มีเลยเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ค่อยจะมีหรอก ขอหวยไม่ได้นะไม่มีให้งั้นมีคาถาทําให้ร่ํารวยไหมมออีมีคาถาทําให้รวยนะมีอยู่สี่ข้อท่องไว้นะหนึ่งอุท hana สัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรอ อ, อุ้ยไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาต้องนโมนโมเมี้ยงปลาขยงังมีเงี้ยงนกเอี้ยงหัวโตอะไรเงี้ยแล้วถูกหวยรวยปั๊บเงี้ยเอาบอกโอ้คาถาอย่างนั้นไม่มีนะมีแต่คาถาของพระพุทธเจ้าถ้าทำแล้วรวยจริงๆ งั้นขอเครื่องรางของขลังขอพระเครื่องบ อ, อไม่มีพระเครื่องก็ไม่มีแจกเข้าไปตั้งแต่ก่อนจะบวชแล้วนะไม่มีท่านงั้นขอตัดจีวรไปหน่อยบ อ, อกไม่ได้มีอยู่ผืนเดียวแต่ไปเราก็เป็นพระจีวรแหว่งสิตกลงก็เลยไม่น่านับถือแล้วพระองค์นี้ก็ดีไปอย่างใช่ไหมพวกนี้ก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ก็ไม่มาโกรธอะไรเราก็รู้สึกพระขีกๆกกอกแต่ก็ไม่มาโกรธ อยู่กับโลกต้ออยู่ให้เป็นนะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่ากลมกลืนนี่มันแล้วเราศึกษาธรรมะนะศึกษาไปชีวิตจะมีความสุขมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแล้วมีความสุขขนาดยังไม่ได้พานานะก็มีความสุขแล้วพอเข้ามาในวัดเนี่ยใจเริ่มตื่นพระที่นี่พลังงานของความตื่นเยอะว่าใครมาหลับแถวนี้ไม่ได้โดนไล่จิกไล่ตี จใจนั้นมันตื่นก็เข้ามาแล้วใจนก็ตื่นใจมันก็ร่าเริงเบิกบานมีความสุขเราค่อยฝึกตัวเองนะเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องค่อยๆฟังดีๆนะไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ฟังซีดีไปฟังแล้วก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรแต่ฟังแล้วค่อยรู้ทันใจตัวเองฟังแล้วจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้ จิตร่าเริงเบิกบานก็รู้จิตสงสัยก็รู้ฟังไปเรื่อยๆนะทุกวันนี้ซีดีหลวงพ่อผลิตไม่ทันเลยแล้วมีคนช่วยผลิตเยอะแยะไปหมดนะช่วยกันปั๊มใหญ่เลยตามต่างจังหวัดนะมีร้านขายเทปอนะ่ะใครอยากได้ซีดีหลวงพ่อนะเขาดาวโหลดให้นะแล้วเขาขายแพงละ30บบาท น, ะนี่เอากำไรเล็กน้อยพอยังชีพอย่างี้ก็ไม่ว่ากันหรอกนะอยิ่งไปขายเป็นร้อยๆมันก็คงขายไม่ออกเพราะว่าของฟรีมันเยอะ ไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินนะตามร้านชําตามนะอะไรต่ออะไรมีคนไปซ่อมรถนะตามอู่รถยังมีเลยเปิดไปแล้วลูกค้าฟังไปก็ไม่ใจร้อนเดี๋ยวใจร้อนอยากให้รถเสร็จเร็วๆถ้าอยากให้รถเสร็จเร็วๆ เ, เดี๋ยวคนซ่อมมันบอกอยากรู้ว่าอยากเวลานี้ธรรมะ ก, กว้างขวางออกไปมากนะในช่วงปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็แค่เทศเทศอยู่ที่นี่แนหะไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหรนะ่ เริ่มออกรับนิมนต์บ้างก็ไม่มากนะักแต่มีคนช่วยหลวงพ่อเยอะช่วยกันผลิตสือ่อบางคนก็ช่วยสอนนะช่วสอนบางคนก็สอนคนอื่นแล้วก็พาเข้าไปดีบางคนก็พาเข้าเข้ารกเข้าฝงกปเยอะนะเ <c oughs> งี้ยใครก็สอนดูจิตก็้อย่าเชื่อง่ายจำไว้นะเราภาวนานะเราภาวนาคนซึ่งเขามีหูมีตาเขาดูรู้อย่างบางคนเราเข้าไปตามวัดครูบาจารย์อะไรเงี้ยนะ คนซิ่งเขามีตามีหูก็รู้นะเห็นหน้าเขาบอกเลยเขารู้เลยว่าลูกศิษย์ใครพูดถึงขนาด น, นี้นะอย่างหลวงพ่อคําเขีย น, นท่านบอกเลยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใครเรียนกับหลวงพ่อจิตมันจะตื่นเราไม่ได้เรียนให้หมัวเมาไม่ได้เรียนให้เคลอบเคลิ้มกรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนั้นเป็นกรรมฐานเคลอบเคล้รรมภาวนาแล้วก็ซึมซึมเสื่องเสื่องภาวนาแล้วก็นิ่งนิง่งเงียบเงียบหงอยหนะย เราภานาใจเราตื่นว่าเรามีสติทำไมพวกเรามีสติได้เพราะหลวงพ่อย้านักย้าหนาว่าให้ดูสภาวะหัดรู้จักสภาวะไปยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้หายใจออกก็คอยรู้สึกหายใจเข้าก็คอยรู้สึกนะมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยก็คอยรู้สึกมีความโลภมีความไม่โลภมีความโกรธมีความไม่โกรธมีใจลอยมีความรู้สึกตัว ไม่ค่อยรู้สึกไปมีสงสัยมีฟุ้งซ่านมีหดหูนะ่จิตใจเราเป็นยังไงเราค่ยรู้สึกรู้สึกนี่หลวงพ่อพาดูดแต่เรื่องพวกนี้ตอนตรวจการบ้านบางทีก็ไล่จิกไล่ตีไล่จี้นะก็เพื่อให้ดูสภาวะเป็นการดูสภาวะเป็นเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับการปฏิบัติเพราะวิปัสสนากรรมฐานนะั่นคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามตัวรูปนามนั่นแหละเป็นตัวสภาวะธรรมไม่ใช่เรื่องคิดคิดฝันฝันเอา หลวงพ่อพ า, พาพวกเราดูสภาวะหัดพวกเราจำจี้จำชัยนะสอนแล้วสอนอีกบางวันเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆเลยในการที่จะเขี่ยวเข็นพวกเราให้ดูสภาวะตรวจกันบ้านวันนึงเราเราี่สิบคนนะหนักนาสาหัสถ้าเราหัดดูสภาวะไปไม่นานนะสติมันจะเกิดเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นพรอจิตมีสติขึ้นมารู้สึกตัวนะคราวนี้ใจมันสว่างขึ้นมาแล้วสว่างสวัย ศึกษาไปเรื่อยๆนะศึกษาไปจจิตมันตื่นจิตมันตื่นแล้วจิตมันสว่างสวยมีความสุขความสว่างสวยของจิตนะเกิดขึ้นแล้วนะก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งไม่สว่างอยู่เฉยๆบางคนตื่นขึ้นมานะแล้วก็สว่างสวยอยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญาต่อ <Yeah. S 2> ถ้าตื่นแล้วไม่เดินปัญญาต่อแนละ้วก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีมากหรอกหลายปีก่อนหลวงพ่อเคยสอนผู้ชายคนหนึ่ง มาหาหลวงพ่อนะชื่อสุรวัตรตอนนั้นเราจะบวชแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาแล้พอเห็นหน้าเขานะคก็บอกผมชื่อสุรวัตรหลวงพ่อก็สอนแล้วไม่เสียเวลาแล้วบอกเขาบอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นนะต้องรู้สึกตัวก่อนเขาก็เรียนรู้สึกตัวมานั่งใกล้ๆหลวงพ่อหลวงก็คอยจี้ให้ดูสภาวะเออเผลอไปแล้วนะเพ่งไปแล้วนะแอบไปคิดแล้วนะเครียดไปแล้วนะเนี่ยพาให้ดูสภาวะไปเรื่อยๆเออตรงนี้ถูกแล้วนะ มีถูกเหมือนกันเนีน่ยพาดูไปอย่างเงี้ยหลายคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะอะไรพระอะไรมาชี้จีนอนจีนี่นะอ้าโกรธไปแล้วคิดไปแล้วโลภไปแล้วอย่มารู้อย่างนี้มันจะได้ไประโยชน์อะไรนี่แหละเรียกว่าโง่ละไม่รู้หรอกว่าการรู้สภาวานะนั้นเป็นเหตุให้เกิดสติสติไม่ได้เกิดจากบังคับให้เกิดงั้นเราพาดูสภาวะนะเขาจิตเขาเริ่มจําสภาวะได้ บางคนมาเรียนวันแรกแลกว็ได้สภาวะไปอย่างหนึง่งพอเรียนไปเรื่อยนะรู้จักสภาวะเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดนะสติเกิดหมดเลยคราว น, นี้เกิดที่ยิบเลยรู้สึกรู้สึกรู้สึกตลอดเลยใจไหลไปปุ๊บรู้สึกใจไปคิดปุ๊บรู้สึกใจไปเพ่งปุ๊บรู้สึกนะใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์รู้สึกตลอดรู้สึกเลย นี่รู้สึกแล้วพอรู้สึกเป็นแล้วนะเห็นสภาวะเป็นแล้วเนี่ยทีใจก็จะโล่งว่างมีความสุขแล้วไปติดในความสุขตรงนี้ตรงนี้ไม่พอละเดี๋วไหลละขี้เกียจคนชนิดนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สรรเสริญคุณความดีที่หยุดนิ่งการที่เรารู้ตัวแล้วก็โล่งว่างอยู่เฉยๆนะมีเกิดความสุขอยู่เฉยๆเนี่ยคุณความดีของเราพัฒนาต่อไปไม่ได้แค่นี้ไม่พอเราต้องพัฒนาให้เกิดปัญญา บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้รู้พระไตรปิฎกทั้งหมดเรียนอภิธรรมจบทั้งเก้าปริเฉตมีปัญญาไม่มีหรอกปัญญาที่แท้จริงนะคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามเห็นไมมันมีเทคนิคเทอมนะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดานะเป็นปัญญาชั้นสูงเป็นวิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่รู้ความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจของรูปของนามทายังไงปัญญาจะเกิดมเมื่อกี้หลวงพ่อพูดแล้วนะทำยังไงสติเกิดหัดดูสภาวะแล้วสติจะเกิดพอจิตจําสภาวะแม่นนลสภาวะที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดเองโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดนี่อะไรทําให้เกิดปัญญาตัวสมาธินั่นแหละทำให้เกิดปัญญาสมาธิไม่ใช่แปลว่า นิ่งๆซึบื้ออยู่ในอารมณ์มันเดียวซึมๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นมีสองวิธีนะแต่เดิมหลวงพ่อรู้จักวิธีเดียวเพราะหลวงพ่อหัดสมาธิมาแต่เด็กหัดทำสมาธิมาเรียนจากท่านพ่อลีวัดโสกรมนะทําสมาธิจิตนิ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเด่นดวงอยู่นั่นนะ พอออกจากสมาธิมาแล้วเรามาตามดูกายตามดูใจนี่ยมันเจริญปัญญาตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันเหมือนแยกอยู่ต่างหากเหมือนแยกออกมาเป็นคนดูดูกายนี้ทํางานดูใจนี้ทํางานจิตเป็นคนดูอยู่ตั้งอยู่อย่างนั้นเด่นอยู่นั้นนะมันตั้งเด่นอยู่เงี้ยได้ตั้งนานได้ทีหนึ่งเป็นเดือนๆเลยนะเพราะว่าสมาธิมันแก่กล้านี่มาหลังๆนะมาดูรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆหลานๆอะไรนี่รุ่นเพื่อนกัน ทำสมาธิไม่เป็นทํำยังไงนาะมันจะมีสัมมาสมาธิได้กับเขาบ้างหลวงพ่อก็เลยสังเกตว่าถ้าหากคนไหนนะ่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะได้ชั่วขณะเท่านั้นเป็นคณิกะสมาธิไม่ถึงอัปปนาไม่ถึงอุปจาระคณิกาสมาธินี่ก็เหลือเฟือแล้วสําหรับการปฏิบัติเพื่อบรรลุมักผลนิพพานคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะ แว บ, บเดียวใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคลาลไม่นานตั้งไม่นานถ้าใครรู้สึกว่าตั้งอยู่ได้นานนะก็ไปเพ่งเอาไว้ไม่ใช่ของจริงหรอกถ้าไม่ทรงฌานนะถ้าทรงฌานไม่อยู่นานถ้าไม่ได้ทรงฌานแล้วรู้สึกตั้งอยู่นานนะี่แสดงว่าเพ่งเอาไว้เรื่องวิธีจะฝึกให้เกิดสมาธิชั่วขณะก็ใช้วิธีที่มีสตินี่แหละสังเกตเอาจิตของเรามจะเคลื่อนที่ตลอดเวลา เวลาดูมันก็วิ่งไปดูนะเวลาฟังมันก็วิ่งไปฟังเวลาคิดมันก็วิ่งไปคิดเวลาปฏิบัตินะมันก็วิ่งไปจับที่ลมหายใจบ้างที่ท้องพองยุบบ้างที่เท้าบ้างที่มือบ้างมันวิ่งไปวิ่งมาได้ตลอดเลยตรงที่จิตมันยังวิ่งไปวิ่งมาสายไปสายมาเนี่ยเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นแต่บางทีจิตสงบได้นะเช่นไปดูท้องพองยุบแล้วจิตวิ่งไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิ เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่เท้านะก็เป็นมิจฉาสมาธิไปอยู่แล้วประเดี๋ยวก็เกิดปิติบางคนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงรู้สึกวุบๆุบว่าบ า, บารู้สึกเหมือนอะไรมาไต้ น, นั้นเป็นเรื่องของสมถะนะค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาถ้าใจเราไม่ไหลตามอารมณ์ไปนะใจตั้งมั่นอยู่ในขณะที่รู้อารมณ์สติระลึกรู้อารมณ์ ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเนี่ยปัญญาจะเกิดสติะระลึกรู้อารมณ์นะอารมณ์ใดๆปรากฏขึ้นสติะระลึกได้เองไม่ได้กำหนดไม่ได้บังคับแต่ะระลึกได้เองด้วยใจที่ตั้งมั่นสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในขณะที่รู้สภาวะเนี่ยถ้ามีองค์ประกอบสองอย่างนี้แล้วปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดก็คือจะเห็นทันทีเลยว่า อารมณ์รูปนามกายใจที่สติไประลึกนั้นไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างร่างกายเนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจมันเป็นแค่คนดูใจมันอยู่ต่างหากเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูนะจิตใจอยู่ต่างหากอยู่อย่างสบายนะไม่ได้อยู่อย่างเครียดเครียดแข็งแข็งบางคนได้ยินว่าใจอยู่ต่างหากก็ไปประคองใจไ้จนแข็งเลยอันนั้นทาผิดอีก อย่าไปประครับประครองให้มันแข็ง mm hmm. แข็งเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจิตวิยาตอนอยู่จุฬาอาจารย์เคยสอนนะบอกพระเคาะระครังแล้วน้ำลายไหลเนี่ยพระเคราะระคังแล้วใครน้ำลายไหลบ้างเห็นไหมหลวงพ่อพูดตลกปุ๊บรู้สึกไหมใจปุ๊บปุบ๊ใจหนีไปละใจเราหนีทั้งวันนะเวลาเราดูใจเราก็หนีไปอลองดูพระพุทธรูป คนที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องนะคนที่ยังไม่เป็นก็ดูตั้งใจดูที่พระดูที่ยอดเอาที่ยอดเท่านั้นที่อื่นไม่ต้องแล้วนับดูว่าตรงปลายยอดนะั้นมีกี่แฉก ร, รู้สึกไหมจิตเราไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมเอาพอแล้วพอพอพอนะพอหยุดหยุดยุดบางคนมันเพ่ยงจนติดเข้าไปแล้วนะเดี๋ยกลายเป็นสมถะรู้สึกไหมขณะที่เรามองพระนะจิตเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหม มองอะไรนะจิตก็ไหลไปที่นั่นเวลาฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางทีก็จิตไหลามาที่หลวงพ่อบางทีก็ไหลไปอยู่ที่การฟังตั้งใจฟังไม่ได้สนใจหลวงพ่อนะแต่ตั้งใจฟังฟังได้ไม่กี่คานะจิตก็สวิชตัวเองไปคิดฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปดูออกไหมเนี่ยถ้าจิตเราไปดูรู้ว่าไปดูจิตไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองนะนะีฝึกไปเรื่อยอย่าไปคํานึงว่าเมื่อไหร่จะได้ผลในเวลาไม่นานนี้แหละจะได้ผลนะตอนนี้มีคนจนํานวนมากเลยที่สามารถเห็นได้แล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นได้ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มากเท่าที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานะเริ่มเห็นแล้วว่าจิตนี้ไม่ใช่เราความเป็นตัวเราไม่มีจริงๆหรอก เห็นไหมภาวนานะเรามีสติรู้กายรู้ใจมีจิตตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนที่หายใจออกหายใจเข้าที่พองที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลปลอมเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านกุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเท่านั้นนี่ จิตอยู่ต่างหากจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตเป็นตัวที่รู้อารมณ์แล้วความเป็นตัวเราเนี่ยเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาพอเรามีสติอยู่จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะจะเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอะไรอะก็ไม่ใช่เราพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตมันพอละมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมาตัดสินความรู้เป็นพระโสดาบันะ กสเด บ, บันเวลาเป็นเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้จิตของพวกเราตอนนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาวจารภูมิกามาวจารภูมิไม่ต้องจําชื่อมันก็ได้นะฟังคล้ายๆจราจอนองไงก็ไม่รูกามาวจรกามาวจารภูมิจิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่แหละเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยจิตจะไม่ได้อยู่ในกามาวจารภูมิ แต่จิตจะไปอยู่ในรูปประภูมิบ้างอรูปประภูมิบ้างคือจิตจะเข้าฌานเข้าเองนะไม่ต้องฝึกเข้ามันเข้าของมันเองทําไมมันเข้าได้เองเพราะว่ากามมายั่วมันไม่ได้แล้วสติปัญญามันแก่มันไม่สนใจในสิ่งที่มายั่วทางตาหูจมูกลิ้นกายแะมันจะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวเลยเรียกว่ามันทวนกระแสของเราใจของเราไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาในขณะที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลจิตมันจะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้นะ ทวนเข้ามาและอริยามรรคเกิดขึ้นนะจะประหัตประหารทําลายสั่งโยชตลงไปกนะ็แหวกอาสวะกิเลสขาดชั่วคราวนะอาสวะกิเลสถูกแหวกออกชั่วครั้งชั่วคราวนะแป๊บเดียวก็จะเข้ามาปิดใหม่นะจิตถูกอาสวะครอบงําอย่างเดิมนะแต่สั่งโยน์ขาดแล้วขาดเลยจากครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สามจนครั้งที่4นะีจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถูกอาสวะห่อหุ้มอีกต่อไปละ ้เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะจะถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องรอสอขอสอของใครนะไม่มีใครส่งสอขอสอให้สักใบหลวงพ่อน่าสงสารแค่ไหนปีนี้ไม่มีสอขสอสักใบเลยแต่หลวงพ่อมีความสุขนะยิ่งยอมไม่อยู่นะยิ่งมีความสุขเยอะนะยมมาก็ไม่มีความทุกข์หรอกนะแต่เป็นเหนื่อยนะอยู่ลำพังเราสบายสบายมีความสุข ทุกคนมีโอกาสได้ริมรสความสุขที่หลวงพ่อบอกหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกตัวขึ้นมาหัดดูสภาวะไปอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปปกติเวลาจิตไปรู้อะไรนะจิตชอบไหลไปอยู่ที่นั่นเช่นจะขยับมือนะจิตก็ชอบไหลไปอยู่ในมือจะไปรู้ลมหายใจจิตก็ไหลไปอยู่ในลม จิตมันไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันว่าจิตจะรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็รู้ลมจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยงนะั้นเราครฝึกนะวันหนึ่งถ้าเรามีสติก็มีสัมมาสมาธิมีสติคือมีความรู้ทันระลึกได้ว่าสภาวะใดกําลังเกิดทั้งรูปธรรมนามธรรมมีความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ไหลตามอารมณ์ไป เราจะมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้นั้นไม่ใช่ตัวเราซึ่งอย่างเดียวเลยนะทั้งกายทั้งใจตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีแจม่มแจ้งผู้นั้นเป็นพระโสดาบันนะคนทางที่เหลือจะราบเรื่อนคนไหนได้โสดาแล้วจะรู้สึกเลยการปฏิบัตินี่มันง่ายขึ้นเยอะเลยผิดหูผิดตานะเปลี่ยนไปมากมายเดินไปแล้วก็ยิ่งปลอดโปร่งโล่ ง, ลงเบาขึ้นทุกทีทุกทนะีวันนี้8ปดมงหนึ่งนาทีนะเลดนิดหน่อย ขออภัยที่เลดว่าธรรมะติดผันเชิญไปทานข้าว